น เ, เ, น, เ, น, เนี่ยรัฐบาลเองเขาก็ไม่ได้เอาคิดเอาถูกอะไรกั บ, บนักบวชมีการงานอะไรเกิดขึ้นเขาก็ไม่บังคับบัญชาให้นักบวชไปทําเพื่อจะให้นักบวชสะดวกในการปฏิบัติเพื่อจะได้เป็นปนะัแนะนําสั่งสอนคนอื่นต่อไปโดยจะเป็นแบบแผนปเป็นนิอันดีงามส่วนคนอื่นเสือ่อมใส ในประพิษกายประพิษใจตามนักบวชนี่คือเรื่องนักบวชมาบวชแล้วดิดามารดาธนายาก็อนุโมทนาว่านักบวชนั้นท่านจะไปดีในสุขไปประพฤติษกายประพิษใจตัวพิษจิตของท่านในทางอัตทางธรรมท่านจะมีความสงบในความสุข ยินดียินอยานแจ่มใสพอใจในผู้บวชโดยมากทุกทุกแทบทุกคนไปที่เต็มใจอยากจะให้นักบวชนั้นมีความสุขความสบายและเห็นนักบวชก็เย็นใจเหมือนเห็นโจรเห็นมารเพราะนักบวชมีจิริยามารายาผิดจาก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 จิตใจสายแสไปตามกระแสะของโลกผลที่สุดก่็ระเบิดอยู่ไม่ได้ทนไม่ไหวเพราะใจมันปรุงคิดออกไปข้างนอกฉะนั้นนักบวชจิงเจต้องตรวจตาจิจเลยนากายใจของตัวการทำการพูดการคิดอะไรถึงเป็นภัยอันตราย ในศีลในธรรมจะส่องสังวรระวังเอาไว้และสอนจิตสอนใจของตัวคนที่ใดมาบวชเป็นคนที่มีโชคลาบอันใหญ่หลวงไม่ใช่คนหาง่ายคนที่ลุ่มหลงอยู่ในโลกจะนวนมากใมีโอกาสเวลาที่จะมาประปฏิบัติรักษาายวาใจใจของตัวเพราะยุ่งเกี่ยว กับหน้าที่การงานต่างๆซึง่ ง, ง, ทงทางโลกเขาทำกันไม่ทำก็ไม่ได้จะไปหลับหูหลับตาภาวานาถ่ายเดียวคนที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยเขาก็จะคู่เอาด่าเอาทำไมมาทำแบบนี้เพราะเพศของารวาวาสจะต้องทำมาหาจินเป็นธรรมดาจะหลับหูหลับตา เดินจนกลมภาวานาสะดวกสบายอย่างนักบวชนั้นมันเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้แต่นั้นเราทั้งหลายที่เป็นนักบวชได้ไเข้ามาสู่กลมเงาของพระพุทธศาสนานับว่าเป็นผู้ที่มีโชคลาภอันดีต่างหน้าต่างตาจิตใจนาเผื่อสำลระที่เลียกปัญหาของใจคนเรา จะเป็นสารวาาก็ตามเป็นนักบวชก็ตามเกิดมาก็มีความแกค่ความเกิดความตายเป็นธรรมดามเหมือนกันใจของคนนั้นถ้าหากไม่ทราบตามเป็นจริงในมีอับอัดมีธรรมในจิตในใจเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมหวั่นไหวเดือดร้อนหัดข้องอุ่นวายเป็นธรรมดามเพราะเขาไม่เห็น เรื่องเหล่านั้นตามเป็นจริงในจิตในใจของเขานักบวชเราจึงควรที่จะุิจารนาในเรื่องเหล่านั้นให้ถึงจิตถึงใจว่าควรเกิดมาจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นฆราวาสบรรพชิตมันไม่ผิดกันในการแจ่การเจ็บการตายมันเหมือนกันหมดแต่ตายนั้นมันตายผิดกันือตายดีตายทั่ว ตายได้ตายเสียมันจิดกันตรงนั้นเรามาบวชที่นิพพนาอัตธรรมศึกษาธรรมะปฏิบัติกายวาายใจเพื่อให้รู้แจ้งแจ้งตลอดในสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเราจะต้องเป็นคนหนักแน่ต่างหน้าต่างตาที่นิพพานาจริงจังว่าการตายของคนนั้น ถ้าหากเรามีอัดมีธรรมมีสมาธิในจิตในใ จ, เ, จ, นจเราจะพิจารณาแจกไขเดี๋ยปัญญาของเราได้ตายตายนั้นเป็นอย่ยงสมมุติอันหนึ่งถึงมันมีมาแต่ไหนแต่ไรสมมุติอันนี้ความตายนี้มันไมมีอะไรตายถ้าหากจะพิจารณาตามธรรมะ แยบคายลงไปกายอันนี้จะกอบขึ้นโดยถาดทั้งสี่ขวดทึ้งถาดใหญ่ๆหรือถาดดินถาดน้ำถาดลมถาดไฟแล้วสิ่งเหล่านี้มันตั้งขึ้นมันก็อแปรปวนและแตกสลายของมันไปตามหน้าที่ของมันไม่ได้ตายไปที่ไหนจิตใจ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 นี่คือจิตที่ปฏิบัติยังไม่ถึงขีดขั้นที่จะพ้นไปจากโลกมันเป็นอย่างนั้นแต่นั้นผู้ที่เรียนายใตายเกิดในวัตแต่สงสารมันจึงมีมากอย่าผู้ที่มีสติปัญญามีความรู้ภายในเรื่อมใสในการทำดีถึงเข้าไปเกิดอีก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 มันจะให้ทุกข์ให้โทษแก่ตนขนาดไหนลองพิดเจรณาดูอย่างนี้ก็พอเช่นตาก็ดีกบอื่นก็ดีเขาไปต้มใส่แกงในหม้อทั้งตัวผู้ตัวเมียมันเผืเพลินได้ไหมพอถูกนำร้อนเข้าต่างตัวกวัาต่างดื่นร้อนกลัวตายกันแต่มันคนนี้ไม่พ้นต้องตายเหีือความทุกข์้ามันทุกข์เหือร้อนจริงจังแล้ว มันในมีอะไรที่จะทำให้เพลิดเพลินได้ที่เราเพลิดเพลิอนอยู่เดียวนี้ออก็เพราะทามทุกยังไหมเดือดร้อนถึงจิตนั้นถ้าเดือดร้อนถึงจิตนั้นมันในมีอะไรที่จะสุขจะสบายให้การไปเกิดผิดแก่ไขไม่ได้อย่างไงได้เกิดชาติใดก็จนตายแหละเึงจะหะสะาสถานที่เกิดหยุดได้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 สี่นั้นมันไหม่เสือใหม่งามแข่งมันขามันไหม่งามเอาขาใหม่มาสวมเขา่าแขนมันไหม่งามหน้าตามันไหม่งามเปลี่ยนเอาใหม่เหมือนเสียงอะไรสิ่งอื่นนั้นมันเปลี่ยนไม่ได้ิึงเปลี่ยนได้ก็ไม่คงคนอีกเหมือนกันเพราะสิ่งทั่วไปในโลกอันนี้นั้นมันเป็นอ น, นิจจังคือไม่คงที่จะลองเปลี่ยนแปลงเสียบแปรปรวนไปอยู่ตามสภาพของมัน เป็นเช่นนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ที่มาที่นี้พิจารณาชำระใจคลองตัวเพื่อแจกไขถ้าหาภบชาติยังมีอยู่เราจะไม่หลุดพ้นเมื่อใดเราจะสะสมคุณงามความดีเอาไว้เพื่อตายไปจะไม่ผิดหวังในภพชาติั้งหน้าเขาก็แสวงหากระทำคุณงามความดีเอาไว้ตั้งใจทำแต่สิ่งที่ดี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 หน้าตาของเขาก็สวยสดงดงามส ต, ติปัญญาของเขาก็รู้สึกว่าเฉียบแหลมตลอดถึงร่างกายก็มีโรคภัยเดือดเดียนได้รับความลำบากรำคาญแต่คิดจะอ่านจะทำการงานอะไรก็สะดวกสบายมีผู้สนับสนุนมีผู้นับถือมีผู้เลื่อมใสพูดออกไปหรือทำอะไรเข า, เขาก็ไม่เบื่อหน่าย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 ดิดความดีต่อไปมันก็มีน้อยแต่นั้นการสะสมคุณงามความดีการทำความดีถึงเราจะไม่ถึงที่สุดยมุตินิพพานพระพุทธเจ้าสอนให้พากันกอบโกยกต่ทำบาเพ็ญส่างเลื่อยไฟทำเรื่อยไปอย่างพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก่อนนับกลั บ, น, บนับกันไม่ได้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 เพื่อให้เป็นไปในทางดีทางดีสิ่งทีชั่วที่ท่านบอกเอาไว้ก็สอนพวกเราให้เกรงกลัวอย่าไปซ้าไปคิดทำพูดในสิ่งทิ่ชั่วอย่างนั้นพอทำแล้วจำชั่วจะต้องติดตัวเรื่อยไปเหมือนเงาจาดีที่เราไม่อยากก่อสร้างแต่ทบําเพนเมื่อเราไปเห็นไปอ่าน ไปทีนี้ที่แกนะว่า ก, กรรมดีมีคุณค่าทําลงไปแล้วถึงจะลำบากอยากเย็นในเวลาทําก่อตามแต่ผลที่ได้รับนัาบว่าสมดุลกันชืวยให้ความสุขความเจริญแก่ผู้กระทําบำเทน่เนเมื่อเราเข้าใจชัดเจนเห็นไปจากอย่างนั้นกรรมชั่วที่เราไม่ต่องการไม่ต่องมีคนมาบังคับบัญชา ว่าให้ละให้ถอนถ้าเห็นในจิตในใจมันก่ละก็ถอนเองมันไม่อยากทำท๊อกทําลงไปแล้วมันเป็นทุกข์เป็นโทษแก่ตัวของตัวจําดีถึงใ น, นผู้อ่อนวอนเียาร้ อ, องให้ทํามันก่ทําทเพราะเห็นว่ามันเกิดผลเกิดประโยชน์แก่าการทําของตัวมีคนที่เยยนได้ตายเกิด ถาที่เรียนได้ตายเสื่อเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นไปตามกรรมของตัวจิตทําเอาไว้ทันทีว่ามีกรรมเป็นของของตอนมีกรรมเป็นผัวให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดกรรมมันสามารถจี่บังคับจิตใจของคนให้ไปเกิดในสถานที่ต่างๆได้อย่างสบายของมันถึงเราไม่อยากไปมันก็บังคับบัญชา ใหไปใครเล่าคือเ้าทําชั่วในปัจจุบันอยากจะไปจิตคุกจิตตารางมาคุกตารางนั้นกินข้าวหลวงสะดวกสบายไม่ได้เช่าที่อยู่ที่อาศัยก็ดีไม่มีใครทั้งทั้งที่มันทําชั่วแต่มันก็ไม่อยากไปจิตตารางจิตห้องขังไม่อยากจะให้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวเขามันแต่มันก็หนีไม่ไหว เพราะกรรมชั่วทีมันสร้างเอาไว้ในวันใดกว่าวันหนึ่งจะได้รับทุกโทษถ้าทำหนักเข้าบางทีก็ถึงกับประหารชีวิตให้ตายไปทำเบากว่านั้นเขาจับได้ก็ไปหังเอาไว้ติดคุกตามกฎหมายในประเทศ น, นั้นเขาบัญญัติเอาไว้นีม่มันเป็นอย่างนี้เรี่ยงกรรมชั่วคนทุกคน ช, ชื่อว่านารกก็ไม่มีใครอยากจะไปตกไปเกี่ยวข้องทำชั่วขนาดไหนก็ไม่อยากไปแต่มันก็ไปได้เพราะกรรมชั่วของตัวบรรดาให้ไปเกิดไปตกฉะนั้นเรื่องสวรรค์ น, นารกเรื่องดีชั่วมันอยู่กับตัวของมนุษย์ทุกคนสวรรค์ในอกนรกอยู่ในใจ นิพพานอยู่ที่ไหนก็อยู่ในใจเหมือนกันให้เราตรวจตาที่เจรนาภายในนักปฏิบัติจะต้องดูตายดูใจท่องตัวสาหรับตาราทางนอกก็เป็นเชิงบ่งบอกให้เรารู้เราเข้าใจแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าทำของพระพุทธเจ้าเป็นโอปะณัฏโกคือให้น้องเข้ามาภายในดูกายดูใจท่องตัวใจที่ชั่วที่เป็นนรก เดือดร้อนวุ่นวายไม่สะดวกสบายให้ถึงจะมีเข่าของเงินทองมากม า, กายกายกองมีที่น้องห่มร้อมอยู่กว่อานตามใจมันก็เดือดร้อนใจมันก็วุ่นวายโกรธหลบหลงไม่ีฝั่งมีฝาหาความสงบความเย็นไม่มีในจิตมีแต่คิดแต่ฟุงอยากใหญ่อยากโตอยากเด่นอยากดังอยากฆ่าอยากแย่ ง, ยยงคนนั้นคนนี้ อยากรักอยากขโมยอยากกวนอยากขี้เส้นไปต่างๆนั้นนะฮะอัธพาธทมในจิตในใจของเขาไม่ได้ใจแบบนั้นใจนรกถึงคนอื่นเขาสุขเขาสบายเขาสงบเยือกเย็นแต่เราก็เดือดร้อนวุ่นวายเดือดความปรุงความคิดในจิตในใจของตัวไม่รู้จักรักษาไม่รู้จักละถอนนี่ต่สะสม ความชั่วความเสียต่างๆนา่นน่ะให้เราเผาจิตเผาใจของตัวนี่คือใจนรกใจชั่วตัวเองก็เดือดร้อนคนอื่นที่เกี่ยวข้องก็เศร้าหมองหรือเดือดร้อนไปต่างแต่นั้นท่านจพีงให้ตรวจดูภายในใจสี่ชั่วสีเสียใจสีเป็นนรกเป็ดผีอเสือกายของไม่ดีให้กาจัดมันออกไปคิดไป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 จึงที่ไหนเหมาะสมให้ทําไปก็ในเต็นเรื่องที่ดีที่เด่นหนึ่งคือความชั่วเกี่ยว่าบนรกคนผิดตกนรกในปัจจุบันต่อไปทางหน้ามันก็ตกเพราะใจไม่มีสุขใจหน่มีความสบายใจวุ่นวายใจเดือดร้อนใจเศร้าหมองแต่นั้น เราต้องรักษาต้องพิจารณาดูใจของเราใจเป็นเรื่องดัดแปลงได้ตบแปลงได้ไม่ใช่จะเหลือวิสัยทุกคนมีโลภมีโกรธมีหลงมาเหมือนกันไม่ใช่ว่าหมบที่เหลยนแล้วพระพุทธเจ้ า, าก็ยังมีราคะตัณหามีโลภมีหลงท่านจึงไหนมาเกิดอีกถ้าหากมีส่วนนั้นท่านจะเป็นบำเพ็ญบารมีเพื่อแก้ไขอะไร นี่ยไหมมีโรคยามันก็ไม่มีเรื่องจําเป็นสําหรับคนนั้นคนที่ไม่มีกิเลสทํามันก็ไม่มีเรื่องจําเป็นจะจําเป็นอะไรกิเลสในใจในนี้นี่ถ้ามีกิเลสถันจึงออกไปต่อพฤตอปฏิบัติถันจึงบําเพ็ญเสื่อละกิเลสตัดสรู้ก็คือตัดทรู้แก้ไขจิตใจ ท, ที่คองึิตคิดกุงมที่สงสัยที่วุ่นวายไม่เข้าใจตามเป็นจริงนั่นเองไม่ใช่ตัศรูอันอื่นที่พระพุทธเจ้าจัดตัศรูเมื่อเราปรับรุงที่นี้ที่จเรนีนดูภายในคือนำธรรมะเป็นโอปนายิโกน้อมเข้ามาตรวจตาดูใจของตัวสิ่งที่ชั่วที่เสียต่างๆพยายามละ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 ไ่ติดไปคิดไปตึงว่าเราทําชั่ว ท, ทําเสียอย่างนั้นอย่างนี้พอที่จะเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายถึงเขาจะดูหินมินทารว่าเราชั่วเราเสียอย่างไรนั่นเป็นเรื่องของเขาแต่เราตรวจดูตัวของเราแล้วไม่มีอะไรที่จะเสียหายไปตามลมปากของเขาเราทราบเราอยู่สุขเราเยืยอกเย็นเพราะเราไม่เดือ ไม่ได้ทำไม่ได้คิดสิ่งผิดอย่างเพราะว่าใจมันก็สุขมันก็สงบมันก็สบายมันก็เป็นสวรรค์เป็นสุขคติอยู่ในสถานที่ใดตัวของตัวก่อํา้งตัวไม่ได้เพราะกายว า, จาใจใจทำพูดคิดอะไรเป็นไปในทางอัดทางธรรมไม่ได้เบียดเบียนตัวและคนอื่นทราบพอใจใจมีิหิโอดตปะปั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 จะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่คนอื่นหามาให้เกิดขึ้นจากกายจากใจของเราถ้าเราเรวตาพิจารณาในกายในวาจาในใจของเราก่อนว่าอันนี้พูดทําไปจะเป็นดีหรือชั่วอย่างไรจะให้สุขหรือให้ทุกข์ให้คุณหรือให้โทษถ้าเห็นว่า เป็นไปในทางทุกทางโทษทางเสียทางหายเราก็หักห้ามกายวาจาไม่ให้ทําให้พูดต้องตรวจตาที่เจรนาอย่างนั้นมันจึงจะสะอาดเรื่องกายของเราวาจาของเราใจของเราําระสะสางได้ถ้าหากเหลือวิสัยก็ไม่มีใครจิตจะเป็นพระพุทธเจ้าหรืออรหันตอรหันตาตั้งหน้าทีนี้ที่เจรนาดูแลรักษา กายวาจาใจของตัวอยู่บ่อยๆขัดเกลารอยู่เรื่อยๆปัดกวาดอยู่เรื่อยๆมันจะสะอาดเหมือนลานวัดหรือศาลาตปฏิญญาหารบ้านช่องของเราอาศัยการปัดกวาดอาศัยการเช็ดถูดูแลไม่อย่างนั้นมันก็สกรปรกทํามันสกรปรกนั่งก็ไม่สบายนอนก็ไม่สบายไม่น่าอยู่ไม่น่าอาศัยใจของเรากว่าทำนองนั้น ถ้าเราเปิดตาพิจารณาด้วยสติปัญญาชำระชั่วอยู่เรื่อยๆจิตใจของเราจะบของใสจะสว่างสวัยจะสงบสุขแต่นั้นวัดที่อยู่ของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมดาวัดสิ่งที่วัดเมืองไทยเราทราบดีว่าเป็นที่ทาบุญสุนทานเป็นที่อยู่ที่อาศัย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 ภัยอันตรายไม่ค่อยมีเหมือนที่อื่นนแต่นั้นเราผู้มาบวชในศาสนามึ่งหน้าที่จะประพฤติปฏิบัติจะต้องพี่จารนาดูกายวาจาใจของตัวแ้ะรีบเร่งจะทำบำเพ็ญให้เห็นให้รู้ทำที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ศีลสมาธิปัญญา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 ก็จะเกิดขึ้นขนาดนั้นคือจิตใจของเราท่านในมีการตำหนิตัวเองว่าเดยทำเสียงของตัวให้ชั่วให้เสียให้ขาดให้ยินให้ด่างให้พลอยอย่างหนึ่งอย่างใดเพราะเรารักษาเสมอชีวิตแล้ยื่งกว่าชีวิตของเราถ้าเราทำได้อย่างนั้นก็เป็นอัิฉีิย์เสียยิ่งเสียจริงมันมีตัวเดียวมันไม่มีมาก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 ยังรักษาง่ายเพราะไม่ได้ไปหามาจากที่อื่นใน ด, ดูแลที่อื่นดูแลที่ตัวของตัวก็ได้ชื่อรักษาศีลสมาธิความหนักแน่นของใจความสงบของใจจะ ต, ต้องอาศัยศีลเป็นพื้นฐานศีลที่รักษากายวาจานี้เป็นศีลที่ยากถ้าเราทําไปผูดไปสังคม ของมนุษย์เขาดูหมิหนนินทาค่ะเราไม่รักษาเราละเมิดศีลคนทั่วไปเขาตำหนิเขาดูเขาเห็นเดือหนาหนี่กื้อศีลทำกายทำมาจาแห่งงานเป็นศีลของโลกที่จะอยู่รวมมือรวมคณะให้สุขให้สงบแต่ศีลธรรมะ ที่จะเกิดสมาทินี้คือสีนภายในต้องรวมโดยสติรักษาโดยปัญญาทีนี้ที่เจนนะตายใจทองตัวการคิดชั่วเป็นตัวสำคัญคือ ท, ทำใจของพวกเราทันม ah ่ให้สงบฉะนั้นการคิดชั่วถ้าเราคิด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 เห็นชัดในความสงบสงัดของจิตถอดถอนขึ้นมาจะพิจาจรณาอะไรนั่นแหละแานว่าเป็นริปัสนาคือเป็นปัญญาจริงสิ่งที่เราเคยของจิตเราเคยสงสัยพิจารณาไปมันจะแค่ไถมันจะตัดขาดเหมือนกับมีดดาบที่เรารับคมๆตัดอะไรมันก็ขาดมีดเปื่นไม่เคยรับสักทีฟัน ก๋วยมันก็ไม่เข้าทักษ้ที่ของนั้นนี่แข็งอะไรนี่ปัญหาของใจกว่ทาทํานองนะที่เราสงสัยสิ่งนั้นสงสัยสิยส่งนี้ที่แกหนาเท่าไรมันก็ไม่ตกไม่ล่นไม่หลุดไม่ขาดให้ก็เพราะใจเราไม่มีสมาธิปัญญามันนี่แหลมคมให้ไม่สามารถที่จะแกไขปรับปรุงตัวเองให้เห็น ในรู้ตามเป็นจริงได้แต่นั้นเรื่องปัญญาจะเป็นปัญญาทางวิปัสสนาละถอนที่เล็ดจะต้องอาศัยสมาธิเป็นเรื่องสําคัญเรื่องสมาธิก็คือความหนักแน่นของใจใจมันมีอยู่ที่ไหนปัญญาแตคือความคอบรู้ในกองสังขารสังขารคืออะไรคือความฟุ้งแต่งเรื่องฟุ้งแต่งไพนออกก็าตามฟุ้งแต่ง ทางจิตทางใจก่อนต่างท่านรอบคอบท่านเข้าใจเปรียกว่าปัญญาแล้วมันมีอยู่ที่ไหนสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ที่ตัวของเราทางนั้นในใจหลืเมื่อมันมีอยู่ที่ตัวพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ควรแต่ทำเพราะเครื่องมือของเราครบพอแล้วจะต้องสร้างหน้าตั้งตาจตะทํตาตั้งหน้าตั้งตารักษาตั้งหน้าตั้งตาฟาดฟันบันทอนที่เหลือ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 หน้าที่ของเราไม่มีกิจการงานอื่นนอกจากมากมาปฏิบัติงานอื่นก็ละเว้นไม่เห็นเราไปทำไปเกี่ยวข้องเราเป็นนักบวชเราจะต้องสอนตัวและต่างหน้าต่างตางที่นิติใจน่าสำละจิตใจของตัวอยู่ตลอดตารตลอดเวลา เว้นเพียงแต่หลับสนิทเท่านั้นตื่นมาก็จะต้องดูแลรักษาเยนาสำรักจิตใจของตัวตายมันรักษาง่ายวาจามันรักษาง่ายแต่ใจนี้รักษาจะหากไม่มีสติไม่มีปัญญาแต่ก็ไม่เลื้อวิสัยสำหรับผู้ตั้งใจจะผูพที่ปฏิบัติถ้าเลือวิสัยพระพุทธเจ้าก็ไม่บัญญัติทำลีนัยเอาไว้ สมัยพุทธการทำไมโสดาสิจธาตานาคารหันกันเยอะแยะสมัยไปจุบันไม่ค่อยจะได้ยินวี่แววทางนี้เนี่ยแต่พระนักบวช ด, ด้วยสันจะมาศึกษาอัตธรรมภายในประเภทปฏิบัติเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าหายาไปสถานที่ใดก็ไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันเรื่องเหล่านี้เป็นเครื่องบงบอก แต่ความเอาใจใส่ใจะปฏิบัติแก้ไขเสื่อมากผลนั้นมีจํานวนน้อยส่วนความคิดฟงุงเรื่องนอกมีมากคนทํางานอะไรก็มาคุยไปในงานนั้นคนจิตต่อเพื่อปฏิบัติตอัดทามควรจะต้องพูดคุยกันเรื่องอัดทามขอค้าเขาก็พู ด, พดคุยกันเรื่องการค้ า, าขายการราชการเขก็พูดถึงจิตบัญญการเมืองของเขาชาวนาเขาก็พูดไปตาม เรื่องรายเรื่องนาของเขาเพราะใจมันคิดมันปรุงอยู่ในเรื่องอันใดเขาจะเอาอันนั้นแหละมาพูด ม, มาคุยให้เราฟังคนที่สนใจในอดในธรรมกว่าทํานองนั้นแต่ก่อนเก่าพระเจ้าพระสงฆ์ท่องเสี่ยววิเรกคือดงกันพอเจอกันเข้าเป็นอย่างไรจิตใจจะต้องถามกันแล้วก็เล่าสู่กันฟังต่อไปที่นั้นได้รับความอัศจรรย์อย่างนั้นแต่เพื่อปฏิบัติสะดวกสบายอย่างนี้พูดกัน คุยกันถามกันถึงการจัดทําบําเพ็ญสมณธรรมการรู้การเห็นเรื่องอาเปื่องธรรมแต่สมัยนี้ในอย่างนั้นบวชเป็นอย่างไ ร, รติเป็นอย่างไรศาลากา ร, รเรียนเป็นอย่างไรใหญ่จีเม็ตเสวงจีเนต็เนตา้างจีวาจีสอกถามกันไปหนอกงเรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่สอนมันได้ไปแบบนั้น มื่มันเป็นไปแบบนั้นการที่จะละจะถอนการที่จะรู้จะเห็นสัจธรรมชัดเจนภายในมันไม่มีอันนี้อยู่แล้วอันนี้ช่องทางที่จะประพฤติปฏิบัตินี่จะสแสวงหาเรื่องนอกบวชโลกศาสนาเหยียบย่ําทําลายธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ว่าเขาหรือเราม่อยาเป็นไปแบบนั้นผู้ที่ตั้งหน้าต่างตา รักษาประเภทิปฏิบัติจริงจังรู้สึกหาอยากตลอทุกวันทุกเวลาดังนั้นเราคนหนึง่งควรที่จะดํารงไว้สิ่งพระพุทธศาสนาเราจะต้องตร้งตาต่างตาประพฤติปฏิบัติเขาจะชั่วจะเสียเป็นเรื่องของเขาเราไม่รักษาศาสนาไม่มีใครในโลกให้คิดอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ชั่วที่เสียเราจะต้องพยายามกาจัดพยายามละถอนอย่างใดที่ เส้นอาจเป็นทำ เ, เราจะบังคับกายบังคับใจของเราให้ทำสิ่งนั้นเมื่อทุกท่านตรวจตาที่เจรณาบังคับบัญชาตัวของตัวอย่างนั้นความสุขความสบายความเจริญก้าวหน้าของศาสนาไม่ต้องเรียกร้องให้คนอื่นเข้ามาสรรเสริญชมเชยว่าตัวดีตัวเด่นแต่ มันก่เป็นก็เห็นก็รู้อยู่ในตัวของตัวเพราะธรรมะเป็นสันทิสิโกคือเห็นเองจากการละการบําเพ็ญของตัวชั่วเสียเราได้ละไปอย่างไรเราเข้าใจในตัวของเราแต่นั้นจึงไม่มีอะไรสงสัยไม่มีอะไรที่จะเกิดปัญหาถ้าหากเราละเราถอนเราก็ทําบําเพ็ญให้ดีเด่นเป็นจริงตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราเอง จะเป็นผู้รักษาศาสนาในขณะคนอื่นจะรักษาธรรมะเป็นอาการลิโกคือไม่มีการมีสมัยทวัตถิจ่าปัจจุบานไปจิตใจของผู้ประปฏิบัติเอาจริงเอาจังยังเห็นดีเด่นชัดเจนอยู่อย่างนี้เมื่อเรามีความดีในตัวข้องตัวมีความสุขในตัวข้องตัวละถอนชั่วเสียต่างๆออกไปได้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 หมดกำลังมันเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านหรือสาวกท่านท่านพระพุทธปฏิบัติามาอย่างนั้นเราทุกวันนี้ก็าพากานปรับปรุงกายใจของตัวให้ดีแต่ทำบำเพ็ญให้เป็นตัวอย่างเสื่อบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อไปไม่อย่างนั้นเราบวชกวรจะมีความหมายอะไรการมาวัดมาวาแทนที่จะมาสงบกายวาใจใจของตัวกว่าเลยมาอบรม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 ที่เป็นนักบวชก็จงนำไปที่นิพพานะชำระวิเดตญหากายวายาจใจของตัวขี่จั่วขี่เสียบำรุงรักษาศีนสมาธิปัญญาให้เกิดมีจนเกิดวีมุตเมื่อทุกท่านต่างหน้าต่างตาปฏิบัติ ด, ดังนั้นความสุขความเจริญในทางศาสนาในกายวายาใจของตัวก็จะโผล่ขึ้ น, านการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรสีเวลาพอยุติเพียงแค่นี้